พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออิทนทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าหาที่สงบแล้วจะพบธรรมวันนี้เป็นวันจันทร์ ที่สิบสองกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันจันนะรู้สึกว่าเงียบสงบจริงนะสองสามวันที่ผ่านม า, าทั้งวันพระด้วยทั้งเสาอาทิตย์ด้วยรู้สึกว่าผุกพ่านวุ่นวายพอสมควรลูกลานวันนี้เป็นวันจันรู้สึกว่าเงียบสงบลงพอสมควร นี่คร ว, ว่าสงบคำนี่แหละในหลักของพุทธศาสนามีอยู่ทุกขั้นตอนนให้อยู่ในความเงียบสงบอยู่ในการอยู่ในป่ารงพงไพยอยู่ในที่เงียบในที่สงัดคำว่าสงัดคำนี้ก็คล้ายๆกว่าให้ห่างเหินจากชุมชนสังคมกับคู่คนให้อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดาย ตามลำพังธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องลักษณะอย่างนั้นให้พวกเราศึกษาเอาไว้นะแต่ที่เราจะทำได้หรือทำไม่ได้ก็ตามแต่หลักเกณฑ์หรือบอกกฎเกณฑ์จะไม่มีจะไม่เกิดธรรมะในที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายตรงไหนที่วุ่นวายที่นั้นขัดข้องอย่างพระยศสกุลบุตร ที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเดินไปตามลําพังเอจนเดินผิดที่ผิดทางจนเข้าไปในป่าชาแนในป่าเงียบสงบพราโพระพระองค์เสด็จประทับอยู่ตามลําพังท่านบอกกันยศะที่นี่ไม่ที่นี่มีวุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเอามาที่นี่เฮายศเข้าไปพระองค์แสดงแสดงทําให้ฟังอทางไกลสําเร็จ พระโสดาบันนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระองค์เสด็จอยู่ตามลำพังพคะนั้นพระลูกพระหลานทั้งหลายอย่าอยู่ในความวุ่นวายยุ่งเหยิงให้ปลีกตัวถ้าอยากจะรู้เห็น ร, รมอยากจะเห็น ร, รมเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราพวกเราจงอยู่ในความสงบหาแหล่งความสงบมุมสงบกุฏิที่สงบที่หลีเกเล้น ในวัดของเราหาได้นะเพรากติหลังว่างมีอยู่แต่ลําพังกุฏิของเราเองก็ว่างอยู่แล้วละถะาหากว่าพวกเราไม่ชวนหมู่พวกเพื่อนแล้วมาคุยกับหมู่พวกเพื่อนพวกเราอยู่ตามลําพังอยู่ในมุมสงบสงัดนี่แหละธรรมะจะเกิดขึ้นในมุมนั้นสถานที่แห่งนั้น รังขอให้พวกเราพระลูกหลานทุกองนะถ้าขึ้นกุฏิแล้วก็เข้าไปตามอยู่ตามลําพังเลยนั่งจะนั่งอริยบทไหนแต่จะเป็นนอนเท่านั้นนอนถ้ามันหลับเร็วนอนภาวนาก็ได้แต่มันหลับเร็วท่านจะให้นั่งให้ดูหนังสือเปลี่ยนอริยาบทถ้ามันง่วงมากกเดินซะก่อนขึ้นไปก็เดินซะก่อนจะขึ้นไปนั่ง สรุปแล้วก็ให้อยู่ในความเงียบสงบให้เป็นสถานที่ภาวนาเราะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆคนนะพวกคณะสัตยาญาิโยมก็เหมือนกันถ้ามาสู่วัดวาสศาสนาหาความสงบนะบวนพระอย่างเนี้ยพอสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วทำกิจธุระข้อวัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะหามุมสงบเหมือนกัน ที่กุติหลังไหนที่เราจะภาวนาแต่บางครั้งเราเออเอาก็ไม่ว่ากันมาพูดคุยกันบ้างแต่ว่าอันนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่หนทางที่จะทําให้จิตใจหรือว่าใจของเราจะได้รับความสงบมีแต่อารมณ์เท่านั้นเองให้เราเลิกคิดอย่างนั้นแต่จากนั้นเราก็เปลียนตัวหาวิเวก กุฏิหลังไหนร้านหลังไหนอยู่ตามลำพังจากนั้นก็เอาเป็นเข้าไปนั่งภาวนาหาความสงบทำความสะอาดให้เรียบร้อยที่พักจากนั้นก็นั่งปฏิบัติกำหนดดูจิตดูใจของพวกเรานี่แหละอันนี้คือความสงบความสงบสงัดอยู่ที่ใด ธรรมะจะเกิดที่นั่นเพนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราต้นตระกูลของพวกเราท่านจึงเที่ยวทุดงสมัยนั้นการเที่ยวทุดงป่าดงพงภัยยังไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้จะเดินอย่างนั้นลําบากเสียแล้วทําไมจึงว่าลําบากเพราะว่าเข้าไปที่ใดบางทีก็เป็นที่ทของรัฐบาลบ้าง ป่าสงวนแห่งชาติบางอุทยานบาง เ, าเขาจะมาให้ไปทำํำปักกฏแล้วไปทําร้ายทําลายป่าของเขาเจ้าหน้าที่ของเขากนดูอย่างเข้มงวดกวดขัน <c oughs> มันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่สมัยก่อนไปนักสถานที่ใดก็ไม่มีใครห่วงห้ามห่วงแ ห, ห, งเหนเพราะมันป่ารงพงไพ่กว้างขวางแต่ทุกวันนี้ไม่เหมือนอย่างกันอีกแล้วลูกหลานถ้าเราจะ แนะนำให้เดินทุ่งอย่างตะกรเก่าเห็นไหมเนี่ยเข้าไปกัอย่างห้วยขาแข้งอย่างนี้เป็นต้นเข้าไปก็อันตรายอีกเหมือนกันพราะมันมีสัตว์สารสิงอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของเขาเขาก็ขวงแหมขวงห้ามถ้าเราเข้าไปกับแบบขโมยเข้าไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันมันอดที่จะไปภาวนาขนาดนั้นเจ้าเลยขโมยเข้าไปในเขตห่วงห้ามของเขา เนีเสียงเหล่านี้มันเขาว่าขาโมยคํานี้มันก็ผิดแล้วขโมยเข้าไปในแหล่งที่สถานที่ของเขาเพราะนั้นให้สถานที่ไหนที่สงบสงัดอย่างวัดของเราหรือวัดไหนก็เถอะนะไม่ใช่วัดของเราวัดไหนก็เถอะเป็นวัดกระพอมีอยู่แต่เรารู้จักปลีกตัวหา ม, มุมสงบไม่พูดไม่คุยไม่สนทนากับใครละเอาข้าพเจ้าจะอยู่เป็นเดือนจะไม่ พูดคุยกับใครทาไมจําเป็นเราจะภาวนาอย่างเดียวปิดปากเราจะปิดปากของเราเองจากนั้นเราก็เข้าไปอยู่ภาวนาปิดปากจริงๆภาวนาอย่างเดียวดูใจของตนเองนี่แหละเอาดูทดลองหนสิเราจะไปปล่อยตามที่เราอยากจะทําหรือเราอยากจะพูดมันจริงไหมที่องค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าท่านไปภาวนาอยู่ตามลําพังดูใจของตนเอง เหมือนอกมันจะแตกจริงไหมอันนี้เรายกเป็นประเด็นครูบาอาจารย์เป็นองค์ท่านพูดชัดเจนแต่องค์อื่นๆท่านเคยทำเคยทดลองมาแล้วถ้านเราไปพูดมันก็ไม่ชัดเจนอย่างหลวงพ่อเองเหมือนกันหลวงพ่อจะไมอยู่บ้านตาดหลวงพ่อปีกตัวเข้าไปในป่ามันมุมอยู่มันมุมเลยที่กุฏิของหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่ทาทางเข้าไปนะ เดินบุกป่าเข้าไปแล้วก็ทําร้านเล็กๆแล้วก็มีมุ้งด้วยเพราะมันมียุงมันไม่มีม้งลวดอย่างนี้ไม่สังกะสีไม่กี่แผ่นแต่เข้าไปทําตามลําพังขนไม้ขึ้นไปไม้เสร็จๆน่ะมาทําขึ้นม า, ท, านทําเป็นทําเป็นสองเสาแล้วก็มีหลังคา ม, ม้งจากนั้นเราก็ตักน้ําเข้าไปน้ำเอาไว้ใช้น้ําอาบด้วย น้ำใช้หด่วยน้ำอาบด้วยน้ำดื่มใส่ถังใส่ถังเอาไปไว้ก า, าน้ําไว้กันวันเราจะฉันกี่วันเรากะไปแล้วนะแต่คราวนี้เราจะอดเจ็วันเราก็บอ ก, กบหมูพกเพื่อนเออหมูผมจะไปภาวนานะถ้ามีอะไรยังค่อยเข้าไปหาผมถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องเข้าไปผมจะอยู่ตามลําพังบอกให้หมูพวกเพื่อนเใจแล้วกันเราก็ตั้งจิตตั้งใจไว้เลยแล้ว ข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในการเป็นอยู่ในคราวนี้นะข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในขณะที่มาอดอาหารภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้จากนั้นเราก็เข้าไปอยู่อยุดตามลำพังอย่างที่ว่าเดินจงกรมมีสติอยู่กับตัวเองนั่งภาวนามีสติอยู่กับตัวเองเวลาจะนอนพัก มันหลับพอหลับตื่นขึ้นมาก็มีสติอยู่กับตนเองพลในสุดก็อย่างที่ว่าจริงๆอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดจริงๆโอ้มันมีความสุขจริงๆเมื่อสติอยู่กับตนเองนะใจนึกคิดเรื่องอะไรมันรู้ทั้งหมดเลยทนายเออมันรู้ในความนึกคิดของตนเองว่านึกคิดเรื่องอะไรเรายังจําไม่ลืมไปทัางเดี๋ยวเนี่ว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือจิตไม่ปรุงไม่แต่ง ไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านนะอ่มันมีความสุขจริงจูแบบเงียบสงบอย่างที่ว่านะอะ่ไม่ปุง่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเออแต่ทีนี้พออยู่ได้จูตามลำพังห้าหกวันในหลังวันพวกนี้จะเป็นครบกำหนดจะออกแล้วนะทีนี้เราคงจะได้ออกไปตามที่ได้ตั้งใจไว้นะพอคิดว่าจะออกไปแต่นั่นะมันกระโดดออกทีละน้อยละน้อยละน้อยอ มัอนกกระโดดออกจากเราไปต้งที่แรกมันก็กระโดดออกไปประมาณสักส5ห้าวาอย่างนั้นต่อไปก็บ10บ0ีิบวาต่อไปก็เป็นเส้นเป็นกิโลไปเลยบ้านะออพอในสุดโอ้จิตใจมันออกมันมันออกออกอย่างนี้เองนะนะกระูรวิธีที่จิตมันออกไปแต่วิธีการเข้าที่แรกเราบังคับให้มันเข้าให้อยู่ในให้มีติสัมปชัญญะนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวง พวกนักปฏิบัติทั้งหลายมันได้ท ด, ด, ท ด, ท ด, ท ด, ทดลองดูหมดนะพระลูกพระหลานคณะสัาญาติโยมนะในการบำเพ็ญไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบเป็นวันๆเนออยู่แบบวันไหนกับวันเก่าไม่ใช่นะทดลองเหลี่ยมนี้ดูเป็นยังไงทดลองอย่างนี้เป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงผ่อนอาหารเป็นยังไงอดนอนเป็นยังไงอดนอนหลายๆวันเป็นยังไงเราต้องหาวิธีการเราไม่ได้เกิดมาในยุค ครั้งพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ทรงอัดทรงธทรรมสมัยครั้งพุทธกาลพอเข้าไปท่านก็บอกเลยท่านก็คงจะดูอุปนิสัยอดีตอนาคตของเราท่านก็ให้ธรรมะมาเลยอันนั้นก็เป็นยุคนั้นสมัยนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เราต้องทดสอบทดลองด้วยตนเองแต่เมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้ว ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราสิหน้าที่ของพวกเราจะต้องทดสอบทดลองว่าเอาอยัางไงแล้วก็สังเกตตัวเองไม่ใช่ทดลองทดสอบเฉยๆไม่ไนดะ้ต้องสังเกตตัวเองสรุปแล้วก็คื อ, คอเราไม่ได้สังเกตกายนะเราสังเกตสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตนเองในขณะที่เราภาวนานะมันเป็นอย่างไงในขณะนี้ใจมันไปทางไหน จใจมันไปทางกิเลส ต, ตัวไหนความรู้สึกนึกคิดมันไปทางไหนตอนนีนะ้มีถ้ามีสติถ้ามีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้าเรามีสมาธิจิตใจของเราเป็นสมาธิผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะทันนะมันจะทันความนึกคิดจากนั้นก็นจะให้มันคิดเรื่องอะไรบังคับอีกต่างหากอุปจาระสมาธิให้มันพิจารณาร่างกาย แยกส่วนแบ่งส่วนร่างกายให้เห็นอสุภะปฏิกูลให้เห็นลงไปสู่ดินน้ำลมไฟจากนั้นก็เห็นร่างกายจบแล้วก็ เ, เข้ามาหาจิตใจตัวผู้รู้นมามะธรรมอีกเตัวนึกคิดตัวนี้มันเป็นยังไงทำไมมันจะมาจึงหลงจะม่งมงายกรร็รู้รู้อยู่แล้วนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอีก เห็นใจตัวเองตัเอกท่านนี่มันรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรเยไม่ต้องดูกายแล้วท่นนี้นะแปลว่าตัวนี้แปลว่าตลุมบอนลนะตัวนี้ต้องใช้ความละเอียดอย่างมากแล้วท่านนี่ก็มาหาตัวผู้รู้คือใจนี่นะอตัวยกายมันยังหยาบอยู่นะพิจารณาเรื่องกายนะยังหยาบอยู่ต่อพิจารณาพอเข้ามาถึงตัวผู้รู้คือนามมัธยมคือใจเท่านั้นแหละเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแปลว่าปากตรง ตาต่อตาฟันต่อฟันหมัดต่อหมัดเลยล่ะในความรู้สึกนึกคิดกิเลสกับธรรมในในช่วงนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละการภาวนามันต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสรุปแล้วก็หาหมุมสงบสงบสงัดปีกตี ก, กเลเนจากหมู่จากเพื่อนแล้วก็ภาวนาตามลำพัง แต่ว่าก่อนที่เราจะเป็นหลีกเล่นอย่าให้หมู่แปลกใจแล้วก็บอกกับหมู่กับเพื่อนผู้อยู่ใกล้ซะเ อ, อผมจะภาวนาเนะียคราวนี้นะทำไมจําเป็นผมจะเข้ามาใกล้ผมจะภาวนาทดลองดูซิอยู่ตามลําพังนี่แหละอันนี้ก็คือหมู่พวกเพื่อนก็ต้องรู้จักว่าการภาวนานะการทําความภาคเพียรถ้าเราได้ศึกษาด้วยกันแล้วเราต้องรู้นะ จะไม่ลบกวนกันก็รู้แก่ใจเพราะว่าการภาวนาเนะี่ยไม่ใช่ว่าทำอย่างไงทำอย่างเก่ามันไม่ใช่นะอ่เพราะนั้นขอให้พวกเราพาลูกพาหลานทุกคนนะอ่ะอแต่นี้พอเราภาวนาจิตใจของเราเป็นยังไงมันรู้แก่ใจแต่แตใจมีหลักใจมีกฎมีเกณฑ์ใจรู้ในระดับไหนรู้แก่ใจของพวกเราเองท่น นี่แหละอันนี้ก็คือธรรมะเข้าสู่จิตใจจะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจนะต้องเอาเข้าลักษณะอย่างนี้นะพวกลูกหลานพานเนนตั้งหลายนะอยให้จังใจภานาในปรรษานะี่ยอย่าให้เสียเที่ยวเสียทีสรุปแล้วอย่างน้อยก็ให้ใรับความสงบสงบทางด้านจิตใจให้รู้รสแห่งความสงบสมาธิ ในเกิดการเกิดจากการภาวนาสมาธิให้เกิดจากการทาจิตใจให้สงบนะเป็นอย่างไรควรจะได้รับรู้ได้ริมรถแห่งความสงบถ้าพวกเราทำได้เพียงแต่ว่าจิตสงบเพียงแค่นั้นมันจำไม่ลืมนะลูกหลานนะจาไม่ลืมมันจะฝังอยู่ในจิตใจทีเดียวเลยเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเนี่ย มันไม่ใช่สอนทางอื่ น, นเชื่อแล้วไม่เชื่อมาอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไ ป, ไปจับไฟมันร้อนเราจะไปคิดแต่ยังไงมันจะไม่ร้อนมันไฟมันก็ร้อนอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสภายในจิตใจของเราถ้าเราดูดแล้วเราเห็นแล้วนะตามหลักธรรมคาสอนที่แรกก็คือหลักธรรมคาสอนคือปริยัติคือการเรียนรู้ปริยัต ในเมื่อรู้แล้วก็นํามาปฏิบัติเนี่ยในเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เห็นผลผลออกมานปฏิเวทนะมันเป็นมันไปตามเนื้อเรื่องถ้าเราไม่ปริยัติก่อนไม่เรียนรู้ซะก่อนเราจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติทุ่มสี่ทุ่มห้าปฏิบัติผิดผิดถูกถนะูกผิดผิดไม่ใช่ถูกถูกไม่มีล่ะเมื่อได้เมื่อเราไม่ได้ศึกษานะมีปฏิบัติผิดผิดมันจะเห็นผลได้ยังไงอืม มันเกา่าเหมือนกับเกา่เกาในที่ไม่คันลักษณะอย่างนั้นร้นขอให้พวกลูกหลานทุกวงนะเราก็มาศึกษาในจุดนี้ขนาดนี้แล้วควรจะรู้ได้ว่าจุดไหนเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำหนดให้กาหนดให้พิจารณาให้ภาวนาหลักธรรมคำสอนของพุทธะเราจะเปรียบเทียบดูก็ได้ตามที่พุทธะกล่าวไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนนี้เราก็ มีแต่ตัวเราทำไม่ถึงตนเองเยนะเมื่อประหยัดไปแล้วเนพะราะนั้นให้เร่งปฏิบัติดูสิหาหมุมสงบอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวนะจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเอาจริงจังนะจากนั้นผลก็ออกมาอย่างไรเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในะทนนันในนะ